Book 2 <26. S 3> 20. 20. 2ยี่สิหธรรมชาติคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับ ยดลีคูลตตมุคุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมครับยลนนาตตคุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับซลตตลซลตตคุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับ อยากเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับกเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับคุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับอยกห็นทะลสาบตรงนม ผมชอบนกตัวนั้นท้าปติชะตามุมิสะดะยาทปิติตามุมิสดปยผมชอบต้นไม้ต้นนั้นตัวดรวตตามุมิสดุปะัวดรบวตตามุมิสยผมชอบก้อนหินก้อนนี้โย кам เอนอเดมิดุปะ ต о ย камен, ม в д е ми се ิส п ดอ а ผมชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นตุยพาร์กตามุมมิสเดตุยตมสผมชอบสวนนั้นตดตามิสดตดตมิส ผมชอบดอกไม้นี้ตัวสวีเกอว์เดมิเสดบะยาตผมว่านั่นมันสวยมิสลัมเดคาโอวาเอ a ุบะวอมิผมว่านั่นมันน่าสนใจมิสลัม ผมว่า k a ่ v a ันงดงามผมว่านั่นมันน่าเกลียดผมว่านั่นมันน่าเกลียดผมว่านั่นมันน o าเกลียดผมว่านั่นมันน่าเกลียดผมว่านั่นมันน่าเกลียด Мислам дека ова е грдо. ผมว่านั่นมันน่าเบื่อมิสลัมเดคาโอวาเอกโดซาดโผมว่านั่นมันแย่มิสลัมเดคาโอวาเอกอูจา